เจริญพรองค์สมเด็จย่าชื่ออะไรล้วก็ไม่ร uh live uh um> ู้จักพระเจ้าอยู่หัวของประเทศภูตานแล้วพระญาติพระวงศ์ทุกพระองค์ตรมาภาพดีใจมาก ได้มาพู้ธรรมทํามกลางผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีพระญาติพระวง์ได้ร่วมรับฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าดีใจด้วยกับทุกๆ ท, ท่านที่มีความใกล้ชิดสนิทกับพระพุทธศาสนามีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ธรรเพื่อเอามาประพฤติเพื่อเอามาปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตัวเองเพื่อระงับดับทุกข์ในหัวใจของตนของตน ว, วันนี้ธรตมาภาพรวมทั้งพวกเราผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งพระญาติพระวง์ของพระเจ้าอยู่หัว เรามีโอกาสมาพบปะมาพูดคุยธรรมะสู่กันฟังเรามาพบปะกันด้วยอํานาจของบุญเป็นเครื่องเชื่อมประสานให้เรามีโอกาสได้มาพบปะกัน mm hmm. การพูดธรรมะวันนี้ mm hmm. การฟังธรรมะวันนี้ขอถือโอกาสพูดคุยสนทนาแบบกันเองก็แล้วกันเพ mm hmm. ราะอัตมาภาพ ไม่ใช่คนสังคมในเมืองเท่าไหร่เป็นคนภาย น, นอกแต่ก็พอจะพูดคุยธรรมะสู่กันฟังพอได้ข้อคิดข้ออ่านไปถือประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมที่อามาพูดคุยสนทนากันในวันนี้ก็ได้แก่หลักของมหาสติปัฏฐานทั้งสซึ่งเป็นหลักธรรมะอันสาคัญ รวมทั้งสมถะและวิปัสนาอยู่ในนั้นที่เราจะมาพูดคุยแจกแจงและก็สนทนาเปิดโอกาสพูดคุยสนทนาการและการในโอกาส ต, ต่อไปเบื้องแรกก็จะพูดคุยถึงหลักการของสมถะและวิปัสนาในแง่ของมหาสติปัฏฐานเพราะเป็นความรู้พื้นพื้นที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันมาก แต่บางครั้งอาจจะขาดต่อการนํามาประพฤติปฏิบัติตาม mm hmm. ก็จะพูดในแง่ปริยัต mm hmm. และในแง่ปฏิบัติผสมกลมกลืนไปด้วยกัน mm hmm. เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ mm hmm. วันนี้เรามีเวลาพูดไปยาวเท่าไหร่ mm hmm. ชั่วโมงครึ่งแล้วก็พูดคุยไปเป็นระยะหนึ่ง mm hmm. ไปพักหนึ่งเราก็เปิดโอกาส สนทนาแลกเปลี่ยนธรรมะกันเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคปริยัตเรามีการศึกษากันมากมายอย่างที่เมืองไทยก็มีการศึกษามีระดับศึกษาตั้งแต่พื้นพื้นจนถึงระดับมหวย า, ยามหวิทยายลัยมหาวิทยาลัยสงมีการศึกษาพระธรรมวิ น, นัยทั้งภาคพระไตรปิฎกรวมทั้งต่างประเทศ เกือบทุกๆประเทศที่เป็นเมืองพุทธเอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปศึกษาไปวินิจฉัยไปวิจัยไปวิจารณ์ตามระดับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทรงจําหลักหลักธรรมอันสําคัญสําคัญของพระพุทธศาสนาแต่บางครั้งหรือบางทีก็อาจจะหลักขาดหลักที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติเลยทําให้พวกเราเด็กเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ยากมาก อยากย้อนไปถึงต้นต่อของพระพุทธศาสนาซึ่งพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาด้วยการบ้างแล้วเพื่อเป็นการรื้อฟื้นความทรงจาพระพุทธศาสนาของเราอุบัติที่ประเทศอินเดียเจ้าของที่เป็นศาสดาคื อ, อเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางิริกมหามายา ยกเลไม่ได้เป็นเกียรติเป็นประวัติอย่างยิ่งของประเทศอินเดียของเราซึ่งทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวประเทศอินเดียอย่างไม่ขาดสายมากราบสังเวชชนยสถานที่ประสูติที่ศรุษที่ปรินิพานเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านประสูติมาท่านอุบัติมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฟื้นสัตว์ โลกให้พ้นจากทุกจากโทษในวัฏสงสารท่านได้เสด็จออกบวชเมื่ออายุยี่สิบแปดพรรษาและไปทำไปบำเพ็ญความเพียรทุกกรกรยยาอย่างยิ่งอยู่ในป่าเป็นเวลาถึงหกปีหรือหกพระพรรษาพระองค์ได้ไปตั้งใจปฏิบัติด้วยเรี่ยวแรงของมนุษย์เราดีๆนี่เอง สแสบงหาช่องทางเพื่อที่จะหาความรู้หาความเข้าใจไประงับดับความทุกข์ในหัวใจของมวลมหาสัตว์ในโลกวาระสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวันเพ็ยเตือนหกวันนั้นพระองค์ปรารบความเพียรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่งหันหลังให้กับ ต้นโพหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกและพระองค์ก็ปราบความเพียรตั้งสัจยาทิฏฐานว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมพธิยานเพียงใดจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดด้วยบุญบารมีที่พระองค์สังสม บารมีทั้งสามสิบทัศที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัญญาบารมีเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตั้งปรารบความเพียรในคืนวันเพียรเดือนหกนั้นะระยะเวลาล่วงไปตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงปัมนธมคือสี่ทุ่มเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุธรรมปุกเพนิวาสารุสติญาณเริ่มแรกตั้งบําเพ็ญในวันนั้นพระองค์เริ่มด้วย อานาปานาสติคือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกแล้วก็ตามพิจารณาไปเรื่อยๆจนพระองค์ได้บรรลุปุกเพนิวาส า, านุสติญาณคือระลึกชาติต่างๆของพระองค์ได้ระลึกย้อนหลังไปแบบไม่มีสิ้นสุดกี่กับกีวัตกับกี่วิวัฏกับเห็นว่าภพชาติของพระองค์นะั้เกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีจุดจบไม่มีที่จบนี่คือ เกิดความเกิดความตายโดยเฉพาะส่วนตัวของพระองค์เวลาท่้ำกลางของราตรีตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีงสองทาให้พระองค์ได้บรรลุญาณที่สองเรียกว่าจตูปปาตยานคือระลึกเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายเห็นอํานาจสัตว์ทั้งหลายเกิดตายด้วยกรรมจุติจุติเกิดจุติเขาว่าจุติก็คือดับ ดับอย่างนี้ไปเกิดเท่านั้นตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายจากที่นั่นมาเกิดที่นี่พบซาดพบชาติของสัตว์ประลึกได้ย้อนหลังไม่มีที่จบทั้งปฐมยามทั้งมัชชิมยามเห็นพบชาติของพระองค์และเห็นพบชาติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายจึงเป็นเหตุเบื่อหน่ายในการเกิดในการตายเป็นอย่างยิ่งจึงทําให้พระองค์ต้องใคร้ครวญว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งการเกิดการตายกันแน่ ด้วยสาเหตุแห่งการเบือน่ายในการเกิดในการตายใช้พระปัญญาพิจารณาย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทคือเห็นเหตุเกิดของภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและก็เห็นเหตุเหตุ ด, ดับความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายใน ในปัจฉิมยามเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัคยายายนกิเลสในหัวใจในพระทัยของพระองค์ก็หมดหมดจากพระทัยโดยสิ้นเชิงที่เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหลักธรรมะที่สำคัญท้งฝ่ายเทรวา่าหรือฝ่ายหินยานนั้ น, นเช่อนอย่างปฏิจจสมุปบาทสิบสอง อริยสัจว์ 4, ่โทษชงเจ็ดอย่างนี้ล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่สำคัญสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นหลักสติปัฏฐานทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่ปฏิจจสมุปบาทวันนี้จะนำธรรมะที่เป็นหลักใหญ่หลักสำคัญมาพูดในแง่ปริยัตยิคือหลักการทั่วไปแล้วก็พูดในแง่ปฏิบัติ ให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้จับไปเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติในโอกาส ต, ต่อๆไปคนเราและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดตายเกิดตายเกิดตายในวัฏจะรสงสารไม่มีที่ที่จบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคำว่าวัฏจัสงสารก็คือเกิดแล ะ, ะตายเกิดและตายเกิดและตายไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเกิด เวลาเราเกิดคือกองทุกเกิดเวลาเราเกิดคือความทุกเกิดความทุกที่เราเราชอบใจเราพอใจไหมความทุกเวลาเราประสบด้วยกันทุกคนไม่มีใครชอบใจไม่มีใครพอใจเลยโดยเหตุนี้เองเป็นเหตุให้พระมหาสัตว์พระมหาสัตว์คือคือผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งความปรารถนาเพื่อได้บรรลุธรรม เพื่อจะได้เอาหลักธรรมมารื้อฟื้นขนสัตว์ให้หมดไปจากวัฏจสงสารให้พ้นไปจากกองทุกกองโทษในวัฏจสงสารเกิดตายเกิดตายด้วยอะไรเกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจของวัฏวัที่ท่านเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นเหตุหนุนกันให้เราเกิดให้เราตายให้เราเกิดให้เราตาย กิเลสเป็นเหตุให้เราทำกรรมเมื่อเราทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วกลายเป็นวิบากคือเป็นผลที่เราจะต้องรับเป็นกิเลสให้เราทำกรรมเมื่อเราทำกรรมลงไปแล้วเป็นวิบากเมื่อวิบากเราทำไปแล้วก็กลายเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากก็วนอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏตวนวัตฏวนเราท่านทั้งหลายไม่อยากเกิดเพราะความเกิดนั้นเป็นความทุกข์ความเกิดคือกองทุกข์เกิด ความเกิดคือความทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นเราจะไม่เกิดเราจะต้องตัดกิเลสเมื่อเราตัดกิเลสแล้ววิบากก็ไม่มีอ่าก็ไม่เป็นเหตุให้เราทำกรรมเมื่อเป็นเหตุให้เราไม่ทำกรรมอันเป็นเหตุเหตุให้เกิดกิเลสอีกวิบากกรรมก็ไม่มีพบชาติมันก็ไม่มีเราสามารถตัดวัตตวนคือเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอำนาจของการตัดกิเลส จะอธิบายกิเลสกรรมะวิบาสสั้นๆพอเข้าใจคําว่ากิเลสกิเลสก็คือสภาพที่ทําให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองเช่นอย่างความโลภเกิดขึ้นในใจของเราทําให้ใจเราเศร้าหมองความโกรธเกิดขึ้นในใจของเราทําให้จใจเราเศร้าหมองความเกลียดความอิจฉาทิษยาความพยาบาทเกิดขึ้นในใจของเราทําให้จิตใจเราเศร้าหมองท่านจึงเรียกว่ากิเลส เป็นสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองเราทํากรรมยายยางงย อ, อมรรรรมย่งางใดอย่างหนึ่งลงไปด้วยอํานาจของความโกรธเราทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปด้วยอํานาจของความเกลียดความอิจฉาความริษยาความมิญาปะกิริยาที่เรากรรมนั้นตกกลายเป็นกรรมที่ท่เรียกว่าเป็นกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวิบากก็คือเป็นผลที่เราจะพึงได้รับ ถ้าหากเราทําตามอํานาจของกิเลส ท, ทั้งหมดจิตใจของเราก็ ย, ยิ่งถูกความทุกข์นี่ทับถมทวีในหวัวใจของเราไม่มีจบไม่มีเสี้ยนสุดยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นกรรมก็คือการกระทําเราก็ทําทางกายเช่นอย่างเอาร่างกายของเราไปฆ่าเขาเนี่ยก็เป็นกายกรรมถ้าเราเอาวาจาของเราไปดา่าไปสาบไปแช่งไปพูดเท็จก็เป็น วจีกรรมถ้าเรานึกคิดอิจฉาวิศยาพยาบาทอาฆาตคนอื่นก็เป็นมโนกรรมเป็นกายะทุจริตเป็นวจียญาทุจริตเป็นมโนยักทุจริปตปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเป็นเบื้องต้นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณอวิชชาก็คือกิเลสกิเลสก็คืออวิชชา อวิชชาก็คือความโง่ความโง่ก็คือใจของเรา่แหละมันโง่มันไม่ฉลาดโง่โลภโง่โกรธโง่หลงโง่อิจฉาโง่ทิษยาโง่พยาบาทท่านจึงเรียกว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความโง่ความไม่ฉลาดความมืดบอดของใจของเราเป็นผลมาโดยลำดับ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 แล้วก็พิจารณาจากความสุดย้อนไปว่าอะไรเป็นเหตุให้โศกก็บพราะความเกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดพบอะไรเป็นเหตุให้เกิดพบอุปาทานคำว่าอุปาทานแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นยึดเอาถือเอาการสําคัญเอาการยึดมั่นเอาการมั่นหมายเอาการบังคับบัญชาเอาให้สมใจให้ถูกใจ ให้เป็นไปนตามใจวหวาดลุ้ตัวเองที่ท่านเรียกว่า Subscribe. อุปาทานคือการยึดเอาคําว่าอุปาทานอุปาทานในใจของเราของท่านมันจะทํางานโดยอัตโนมัติของมันเราไม่ตั้งใจยึดมันก็ยึดเราไม่ตั้งใจถือเอามันก็ถือเอามันเป็นตัวเก็บผลของกรรมเราทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วตัวอุปาทานมันจําเป็นผู้คอยเก็บรับบาปการรมนั้นที่ท่านเรียกว่าอุปาทาน อะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานย้อนกลับไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานตันหาตันหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานตันหาคือความทยานอยากภายในใจของเราเราดูไปในใจของเราเราจะเห็นความอยากความอยากตัวนี้แหละมันเป็นตัวทำให้จิตของเราดิ้นรนทะเยอทยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้สรรพัฒนนี่ท่าเรียกว่าตันหาพอทา ตามนั่นลงไปแล้วครูปาทานมาันก็ยึดเอายึดเอายึดเอาเป็นตัวเก็บเป็นตัวสะสมท่านทั้งหลายนั่งฟังแล้วถ้าหากท่านเข้าใจเรื่องข้อของธรรมะอยู่บ้างให้ท่านย้อนไปกำหนดจดจ่ออยู่ที่จิตของเราเพราะกำหนดจดจ่ออยู่ที่จิตของเราเราจะเห็นตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความที่ยึดทยานอยากของใจนี่แหละเป็นตัว เป็นตัวเจ้าเป็นตัวจอมของวัตจักรทําให้เราต้องเกิดตายเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่เป็นพิษเป็นสงอยู่ในหัวใจของเราอาศัยอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปกระทบกันเมื่อกระทบกันแล้วเกิดผัสสะเกิดผัสสะและเกิดเวทนาและเกิดตัณหา สแสดงว่าตัณหาตัวนี้เกิดขึ้นด้วยอํานาจของเวทน า, เ, าเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยอํานาจของผัสสะคือการกระทบผัสสะเกิดขึ้นด้วยอํานาจของตายัตนาภายในรูปอายัตนาภายนอกประชบกันขึ้นเป็นเหตุให้เราเกิดตัณหาตัณหาในที่นี้คือตัณหาใหม่อายัตนาภายในอายัตนาภายนอกเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหา อันนี้ก็มาจากไหนมาจากที่ว่าเรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมเรามีร่างกายและเรามีจิตใจในเมื่อเราเรามีร่างกายเรามีจิตใจร่างกายก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเหมาะสมสําหรับใจจะออกมารับรู้ข้างนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและก็มีใจ เราเพิจารณาไปแล้วก็คือเป็นเหตุว่าเป็นเหตุที่เราได้เป็นเหตุเพราะเราเรามีใจเรามีจิตจิตก็มาจากสังขารสังขารก็มาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นเหตุหปัจจัยเกิดสังขารสังขารขานเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไล่ไปเรื่อยๆตามหนักปฏิจจสมุปบาท เนี่ย <Yeah. S 2> พระองค์พระพุทธเา้าทัานทพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาต้นต่อแท้ๆคืออวิชชาอาวิชชาก็คือความโง่อของผู้รู้ผู้เราเองความโง่อของใจของเราเองคือใจเราเกิดขึ้นมีขึ้นแต่ยังไม่ฉลาดรอบรู้เพียงพอเพระาะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เคลือบมาด้วยแฝงมาด้วยคือกิเลสคืออวิชชาอาวิชชาก็คือ อาชาอวิชชาก็คือกิเลสกิเลสก็คืออวิชชาเคลือบมากับผู้รู้ของเราคําว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเช่นอย่างอาวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นเหตุวิญญาณเป็นผลวิญญาณเป็นเหตุนามรูปเป็นผลนามรปูปเป็นเหตุ อายตนะภายในะอายตนะภายนอกเป็นผลมันเป็นการสื่อช่วงกันอยู่อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าอาศัยปัจจัยแห่งการและกันเกิดขึ้นเมื่อเราเพิจารณาถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีสองสองอย่างเท่านั้นเองคือเหตุกับผลเหตุกับผลเริ่มแรกมาจากเหตุเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ประสบพบกันนั้น เช่นอย่างร่างกายของเรานี่ก็ถือว่าเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวผลตัวผลตัวนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าเราจะพูดตามหลักอริยสัจสี่ร่างกายเราเป็นเหตุร่างกายเราเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุ ท, ทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอริยสัจสี่ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสทั้งปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารไล่ไปเรื่อยๆจนถึงโสกปริเทวะทุขะมรณาสาวโทรมโรณาสอุปายาล้วนแต่เป็นเหตุกับผลทั้งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้า ยังสรุปได้สองอย่างว่ามีเหตุกับผลเท่านั้นเป็นหลักแห่งเหตุและเป็นหลักเหตุของผลเรายิ่งศึกษาพิจารณรร า, าไร่ครวญมากเท่าไรธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรายิ่งท้าทายของเราให้เราเข้ามาพิสูจน์ให้เราเข้ามาประพฤติให้เรามา ป, ปฏิบัติทนต่อการพิสูจน์การพิจารณาทางภาคปฏิบัติตามหลัก อริยศาสตร์สี่นั้นหลวงตาท่านสอนว่าให้กําหนดทุกข์และย้อนไปดูสมุทัยกําหนดพิจารณาทุกข์และให้ย้อนไปดูสมุทยัยสมุทัยมันเกิดที่ใจมันเกิดที่จิตเราแยกแยะเข้าไปอีกร่างกายเราเป็นทุกขเราพิจารณาร่างกายเราร่างกายเรานั้นเป็นตัวผลแต่ตัวเหตุที่จะทําให้เกิดร่างกายนั้นคือสมุทยัย สมุทัยท่าไหนย้อนไปไปดูที่ใจย้อนไปดูสมุทัยสมุทัยก็คือตัวตัวหาตันหาการกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตัวตันหานั่นเป็นสมุทัยเราไม่ต้องไปแยกก็ได้ว่าการมตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาเราพูดง่ายๆว่าตันหาคือความทยานอยากเราดูไปที่ใจแล้วเราจะเห็นท่านทั้งหลายจะจับไว้เป็นข้อปฏิบัติ ให้ท่านกําหนดดูกายแล้วก็ไปดูความอยากที่ใจนะดูความอยากที่ใจแล้วก็มากําหนดพิจารณาที่กายกําหนดพิจารณาที่กายไปย้อนไปดูที่ใจที่หลงตาท่านว่ากําหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยคําว่าย้อนก็คือย้อนไปดูใจเอาใจนี่แหละย้อนไปดูใจเอาสติปัญญานี่แหละแล้วย้อนไปดูใจเพราะความอยากเวลามันจะเกิดมันเกิดที่ใจ ท่านลองย้อนไปดูลองท่านย้อนไปดูแล้วจะเห็นความอยากและความอยากจะดับพอเราย้อนไปที่ใจของเราเห็นความอยากความอยากคือตัณหามันก็จะดับย้อนไปเห็นแล้วก็ดับย้อนไปเห็นแล้วก็ดับความดับนั้นเป็นมิโรดในขณะที่เราย้อนกลับไปย้อนกลับมานั่นนั่นคือมะคือข้อปฏิบัติเป็นทางดําเนินเป็นทางปฏิบัติ อันนี้เป็นหลักของอริยศาสตร์หลักมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือหลักอริยศาสตร4หลักอริยศาสตท4ก็อยู่ในหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสทั้งหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ทั้งหลักอริยศาสตร4ก็อยู่ในหลักของปฏิจจสมุปบาทเพราะมีเจ้าตัวตัวตนหาอยู่ในนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าการ วิธีปฏิบัติโดยหลักใหญ่ๆแล้ว เ, ออเราจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรคมีองค์8อริยอริยมรกมีองค์8ดเมื่อเราจะมาสรุปย่นก็จะเหลือเพียงศีลสมาธิและก็ปัญญาผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องตั้งใจรักษาศีลเพราะการตั้งใจรักษาศีล น, นั้นเป็นการปิดกั้น กิเลสหยาบๆยาบไม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจเป็นการหยุดชะลอกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดกิเลสเก่านั้นมันมีอยู่แล้วแต่กิเลสใหม่เราต้องหยุดชะลอไม่ให้มันเกิดียก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาศีล น, นอกจากตั้งใจรักษาศีลแล้วเราจะต้องเจริญสมาธิทำให้ใจสงบระงับจากกิเลส ตัณหาคือความสยารยนยากจะแสดงกิริยาออกมาทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้ตัณหาก็จะดีดดิ้นอยู่ภายในจิตพระพุทธเจ้าท่านท่านจึงทรงให้สงบระงับความดีดดิ้นของตัณหาภายในจิตด้วยการทำจิตให้ได้รับความสงบที่เรียกว่าสมาธิสมาธิเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่สงบเพราะ กิเลสพาเรานึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องราคะเรื่องตัณหาเรื่องความโลภสรพัสที่มันจะพาหนึกพาคิดท่านลองทำใจให้ได้รับความสงบกิเลสเหล่านั้นมันจะแสดงตัวไม่ได้มันจะสร้างผลเพิ่มไม่ได้เหมือนกับถูกตอนเหมือนเหมือนกับถูกทาหมัน มาให้มันเจริญ ง, งอกเงยในหัวใจของเราคุณสมบัติของความสงบของใจของเรานั้นทําให้ใจเรามีความสุขเราสแสวงหาปัจจัยสีอ่อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรรยายารักษาโรคสแสวงหาลาบสแสวงหายศแสวงหาเกียรติเราสแสวงหามาเพื่อให้ใจของเราได้รับความสุข ความสุขที่เราตั้งใจสแสวงหาบางครั้งก็สมฝังบางครั้งก็ผิดหวังบางครั้งได้มาบางครั้งก็เสียไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านสอนความสุขทางลัะให้กับเราเช่นอย่างท่านให้สงบพระงับแทนที่เราจะวิ่งตามกิเลสให้เราตัดกระแสของกิเลสให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีความสุข จิตมีความสงบเป็นสมาธิจิตมีความสุขจิตมีความอัศจรรย์จิตมีความสว่างไสวแพรวจิตมีพลังจิตมีอานุภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตที่เราจะเอามาพิจารณาค้นคว้าหาเหตุหาปัจจัยเพื่อระงับดับความทุกข์จากหัวใจของเรา พระญาพุทธเจ้าท่านจึงให้เราภาวนาพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำลักับอยู่พุทโธพุทโธพุทโธให้จิตนึกเรื่องเดียวคือคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธบางครั้งเราก็พนวกกันเข้ากับอาณาปานสติหายใจเข้าเราก็ดำริว่าพุท หายใจออกเราก็ดำดิ่ว่าโทเป็นพุทธโธพุทโธพุทธโททธโหายใจเข้าพุทหายใจออกโทการเจริญอาณาปานสติก็คือการเจริญมาหาสติปัฏฐานนั่นเองคือการกําหนดลมพิจารณาลมการตามลมการรู้ลมนี่ก็เป็นหลักของกายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานข้อหนึ่ง มหาสติปฐานข้อหนึ่งก็คือกายานุปัสสนาตามพิจารณารู้เห็นกายข้อที่สองเวทนานุปัสสนาตามพิจารณาตามรู้เวทนาคาว่าตามรู้ตามรู้ในที่นี้หมายความว่าเราใช้สติใช้สัมผััญญะของเรานี่แหละตามรู้เพราะสติเอาสติเป็นที่ตั้งที่ท่านเรียกว่า สติปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติเป็นที่ตั้งให้เห็นกายสักตะวะกายให้เห็นเวทนาสักตะวะเวทนาเราไม่ใช่เวทนาเราไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเอาสติเป็นตัวกลางๆงกำหนด ร, รู้ให้เห็นสักทะวะกายสัสส TS, ทกทะวะเวทนาไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้น ในขณะที่เราพิจรารณากายตามรู้กายเอาสติกนนจดจ่อ ร, รู้กายเราก็เอาจิตเรานี่ยแหละตามรู้กายเอาจิตของเรานั้นแหละตามรู้เวทนาเพราะจิตเป็นสิ่งแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเราดูกายแล้วก็ย้อนมาดูจิตก็เป็นก็เป็นเป็น จิตตานุปัสสนาเราดูจิต้อเราแล้วก็ย้อนมาดูเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาเราดูจิตแล้วก็เอาจิตมาดูกายก็เป็นกายานุปัสสนาย้อนไปดูจิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาย้อนไปดูเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาอันนี้เป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เราเอามากากับ ในการปฏิบัติธรรมประกอบทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งอยู่ในท่าทีนั่งสมาธิทั้งอยู่ในท่าทีเดินจงกรมนั่งภาวนาให้เรากําหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้เป็นการเจริญมหาสติปัฏฐานพิจารณากายกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาเวทนานุปัสสนาพิจารณาจิตจิตานุปัสสนารวมไปแล้วก็เท่ากับว่า ทำมานุปัสสนาหรือเราจะพิจารณารรมานุปัสสนาเป็นอีกประเทศก็ได้เช่นอย่างพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาพุทธชงเจดพิจารณามัชมีองค์8พิจารณาผลของการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นในใจเพื่อไม่ให้ ใ, ใจของเราไปยึดไปเกี่ยวไปถือเอาผลจากการที่เราตั้งใจปฏิบัติแล้วมีผลปรากฏขึ้น การบรรยายหลักธรรมะใหญ่ๆเป็นข้อปฏิบัติเป็นอริยสัจทั้ง4มหาสติปัฐานทั้ง4ปฏิจจสมุปบาทและอริยมรรคมีองค์แปซึ่งเป็นหลักธรรมะใหญ่ๆทั้งภาพทฤษฎีและ ท, ท, ทั้งเป็นภาพปฏิบัติพอเป็นแนวทางให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะได้เอาไปประพฤติ เอาไปปฏิบัติหากมีข้อข้องใจไม่เข้าใจประเด็นข้อปฏิบัติตรงไหนก็ขอถือโอกาสพูดคุยสนทนากันเพราะาเราได้บรรยายไปเป็นเวลาชั่วโมงเศษเ mm. หลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่เหลือเวลาสลับพวกเร า, าสลับไขข้อข้องใจกับท่านผู้มีเกยียรติทั้งหลายทุกท่านเปิดโอกาสได้ตอนนี้เลย ที่โฟกัสอยูอ่ค่ะเจ้าเรียนถามเจ้าข่าวว่าะที่ทํำวิปัสนาเจ้าขอจเป็นไหมคะที่ต้องมีเหมือนอารมณ์เจ้าข่าอารมณ์ที่จะให้ใจเขาเ้าไปในเรื่องนี้หอ่าะอารมณ์ต้องมีสมถะก็ต้องมีอารมณ์วิปัสสนาก็ต้องมีอารมณ์ <c oughs> ถ้าไม่มีอารมณ์ท่านจะได้งานท่านจะไม่มีงานทาํา <c oughs> การที่เรา บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอันนั้นเป็นอารมณ์ของสมถะเพื่อทําให้ใจสงบการที่เราพิจารณาปั่นจักรันคือขันต์ตั้งห้าของเราอันนั้นเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องเอาร่างกายที่เป็นอารมณ์พิจารณาอันเป็นพื้นฐานจากความสงบของใจแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปจนเห็นโทษเห็นภัยในร่างกาย เมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยในร่างกายอุปาทานที่เรายึดแล้วเกินถือแล้วเกินในร่างกายของเรามันจะค่อยๆค่อยคลายออกคลายออกคลายออกความทุกจากการที่เรายึดกายก็คลายออกคลายออกคลายออกท่านผู้ถามได้ทำได้ทำมาเป็นประจำหรือไม่ก็ตอนเช้าเช่าเช่าดแล้วใช่ไแล้วก็จุดจุแล้วท่านก็เตรียมที่จะ ภาวนนกที่จะมีจุดในการที่จะกําหนดใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามีความฟุ้งซ่านหรือการคิดซึ่งเะยะมากมายใช่ไหมที่ทำให้ยากที่จะทำให้ใจสงบใช่ไหมถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็ดูใจที่มันฟุ้งซ่านเป็นจิตตานุปัสนาสติปฐานถ้าท่านเอาสติตามกําหนัดตามกําหนดจิตความฟุ้งซ่านของจิตก็จะหยุด จิตก็จะสงบท่านใช้อารมณ์วิปัสนาท่านใช้ยังไงก็จะหันตาดูพระพุทธรูปใลืมตาดูพระ่ไมลืมตาดูพระพุทธรูปลืมตาดูพระพุทธรูปเราดูพระพุทธรูปแล้วก็ย้อนมาดูใจของเราเองดูใจของเราแล้วก็ไปดูพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปแล้วก็ย้อนมาดูที่ใจลองทําอย่างนี้ลองดู Uh, Napa recommends you to try, as you observe t h a t as you look at your Buddha image, to come back and look at your mind, see your mind, go back and look at the Buddha image, and then come back and look at your mind. So to move back and forth between these two objects. If you look at the Buddha image, you can look at the Buddha image. If you look at e s h a i m e you r a y e s at h e w a t c h i n g t h e Buddha image, b u t y o u r m i n u d i m g i n o a w d h a y จึ g เป o นเ a n l ให้ใ t the b u d ง h a i m a เอาอีกเอาอีกดีมากดีมากปัญหาดีมาก <c oughs> ผู้ที่ถามนั้นนะ่ะทำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ประโยชน์คนหนึ่งถามทำให้คนที่เรานั่งให้พวกเรานั่งฟังด้วยกันจะได้ประโยชน์ไปด้วยกันเราก็จะได้บุญด้วยกันเราจะได้ปัญญาบารมีด้วยกันเราจะได้ข้อปฏิบัติด้วยกัน อฉันได้เลยคุณพูดถึงการดูกายการดูเวทนาการดูจิตใช่ไหมคะแล้วก็เวทนากับจิไม่ใช่สิ่งเดียกันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะแยกแยะจิตกับเวทนาคะเราไม่ต้องไปแยกแยะเวลาเราดูกายเราก็ดูไกลให้จริงจริงอ่า เวลาเราดูกายเราก็ดูกายให้เห็นสักที่ว่ากายใช้สติกําหนดจดจ่อรอยู่ไม่ใช่เราดูดูกายแล้วเราก็าไปดูจิตดูจิตแล้วก็ามาดูกายเราทําในขณะที่ว่ามันถึงขราวคับขันเช่นอย่างเราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเสร็จแล้วมันปวดแล้วเกินเนี่ยปวดหลังเนี่ยปวดหลังแล้วเราจะทำไง ถ้าเราไม่ดูความปวดที่หลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็พลิกเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูความเจ็บหลังความปวดหลังเราดูความปวดเราดูความเจ็บเราดูความปวดเราเลื่อนจากดูกายไปเป็นดูเวทนาเราดูเวทนาแล้วเราย้อนมาดูจิตเราดูจิตแล้วเราย้อนไปดูเวทนาเราไม่ได้แยกแต่เราใช้สติกำหนดจดจดูจิตแล้วก็ไปดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็มาดูจิต เวทนามันเกิดมันเกิดที่ทไหนมันเกิดที่กายเราก็ย้อนไปดูที่กายเอาจิตเป็นผู้ยอ้อนเราไม่ได้แยกพอเราทำเต็มที่เราทำถูกมันจะแยกของมันเองมันแยกของมันเองโดยอัตโนมัติอันนั้นเป็นส่วนผลท่านต้องทำดูธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องท้าทาย ท่านเข้าใจหรือไม่ถ้าท่านไม่เข้าใจเราจะจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นอย่างเราดูแก้วเนี่ยเราดูได้ไหมดูแก้วเสร็จแล้วเรามาดูถุงแดงแดงนี้ได้ไหมดูถุงแดงแดงนี้เราเรามาดูขวดเราดูได้ไหมดูขวดแล้วเรามาดูแก้วได้ไหมดูแก้วแล้วเรามาดูขวดได้ไหมท่านลองดูตัวอย่างนี้แล้วท่านลองไปดูเวทนาแล้วก็ต้องลองย้อนไปดูจิต ลองย้อนไปดูกายอันนี้คือตัวอย่างข้อสําคัญน่าจะทำด้เวทนาทางใจใช่ไหมคะเวทนาทางใจกับใจแยกธรรมเนียมแยกออกจากกันได้ใช่ไเวทนาทางใจเราเอาสติกกาหนดมาที่จิตจิตจิตยินดีท่านก็ให้รู้ว่ายินดี จิตยินร้ายท่านให้รู้ว่ายินร้ายจิตราคะท่านให้รู้ว่าจิตราคะจิตโกรธท่านให้รู้ว่าจิตโกรธเพราะความโกรธเป็นกิริยาการของจิตความโลภเป็นกิริยาอาการของจิตจิตราคะตัณหาเป็นกิริยาการของจิตเราเอาปัญญาเป็นผู้ดูปัญญาสติสัมปชัญญะนี่สติกับสัมปชัญญะประกอบกันแล้วอีกเป็นปัญญาเป็นปัญญาพื้นพื้นที่เราใช้ดู ถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้เราจะบรรลุถึงธรรมไม่ได้ด้วยเหตุที่เรามีเราจะมีการบรรลุธรรมได้เราพูดอย่างนี้ในคนไทยฟัง ไ, ได้ประโยชน์มากในที่แรกเป็นเรื่องของศัพท์ไม่ใช่ห้าทีศัพท์ภาษาคิดคำว่าเวทนาไม่ใช่คำมันจใช้คําว่า feeling ี่มันจะเข้าปในมากเป็นความรู้สึกต่างๆคือไม่ชัดเจนมากเป็นความรู้สึกอี่อ มันเป็นเรื่องของภาษาอืออือ้าวพยายามพยายามขยายให้เข้าเข้าใจค่สรุปการจิตตาดูาสาดปีตฐานที่นี่ตัว mindfulness of the m i n ่นี่ตัวเมือเมือจมีความสุขจ้ะค่ะมัจะมองว่าเป็นสุของาเวทนาหต่จะมองว่าเป็นการดูจิตที่ยินดีจ้ะค่ะเราดูเราดูที่ความสุข ดูความสุขสุขก็สักแต่ว่าสุขไม่ไม่ให้เราไปรับว่าเราสุขถ้าเราไปรับว่าเราสุขนั่นคือตัณหาเกิดโดยเห็นที่เราไม่รับไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราเลยปล่อยมันเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็สะสมตัณหาอยู่เรื่อยไม่มีไม่มีที่จบไม่มีจุดจบการปฏิบัติธรรมเพื่อรนะับดับตัณหาดับตัณหาได้เราก็พ้นทุกได้ดับตัณหาไม่ได้เราก็ลอยคออยู่ในความทุกข์ ผลลักเวลาเหลือเล็กน้อยอเชิญถามได้อีกหนึ่งคำถามสองคำถามเป็นอย่างมากท่านที่ตั้งใจฟังและเข้าใจแล้วก็ถือไปเป็นข้อปฏิบัติได้เพราะวิธีการนี้มันเป็นวิธีการโดยหลักธรรมชาติเพื่อเป็นการไประงับดับทุกข์ในหัวใจไม่ว่าท่านหรือใครก็ตามจะเป็นคนชาติชนวันนะไหนก็ตามาศาสนา ไหนก็ตามคนชาติภาษาใดก็ตามเอาวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วระงับดับทุกได้เหมือนกันทั้งหมดไม่สําคัญว่าท่านเป็นชนชาติศาสนาใดๆเราสามารถเอาไปไ ป, ประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเรียนรู้หลักธรรมชาติของสากลในโลกนี้ท่านจะถือ วัจรยานก็ตามท่านจะถือมหายานก็ตามท่านจะถือหินยานหรือเทรวาสก็ตามถ้าท่านตั้งใจเอาไปปฏิบัติตามนี้ท่านจะพ้นทุกไดไ้เห็นว่ามีคำถามทีม่ที่อยากจะถามมานานแล้วใช่ไหมคะระหว่างจิตกับพยาจารย์ไหจะค่ะคือผลของกังไครดุพุทธ ให้อายนะนะคะที่เป็นผู้รับผลของกรในในในในรก อ, อย่างเช่นอายจก็ทํารับรู้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้จิตตัดสินใจแต่ในสิ่งที่ดีหไม่ดีแต่ผลของการนี้ใครเป็นผู้รับคะจะคะจิตเป็นผู้รับเหมาแต่เพียงผู้เดียวเพราะพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตเป็นผู้แสดงพฤติกรรมเองแม้แต่ทนันกายกรรมก็จิต ทางวิญญกรรมก็จิตคนตายแล้วแสดงกายกรรมไม่ได้แสดงว่ายีกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมทุกอย่างจิตเป็นผู้รับเหมาคนเดียวดีปัญหาที่ดีมากปัญหาดีดมากได้เกิดได้เกิดขึ้นถ้าคือถ้าเรามีลูกที่างามใช่คหมคะก็ถ้าเราทำการดี รู้ที่ไม่ดีมาประกอบทำกันไม่ดีเราเจ็บปวดจะมีโรคเพราะเรากันไม่ดีมาที่ร่องกายนี้เป็นเป็นผู้ที่รับกรรมแล้วก็อายุเนนี้เหมือนเป็นเป็นผู้ที่รับรู้ความเจ็บปวดเช้ค่ะทำไมถึงได้เป็นเป็นเช่นนี้คเพราะเหตุไม่ใช่อยู่ที่กายเหตุต้นต่อของเหตุที่แท้จริงอยู่ที่ใจทํานเข้าใจคำว่าเหตุไหมเหตุเกิดที่ใจเหตุอยู่ที่ใจ เพราะมีใจนั่นแหละจึงมีกายถ้าใจท่านไม่ดีท่านก็จะได้กายไม่ดีถ้าใจท่านท่านต่ำทรามไม่พอจะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นสัตว์บางทีก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปแต่ถ้าใจท่านดีท่านจะเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นเทวดาท่านจะเป็นอินท่านจะเป็นพรหมท่านจะเป็นพระอรหันต์ ผลมันอยู่ที่กาย้คผลมันมาที่ผลมันมาจากจิตแต่มันให้ผลมาที่กาย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าถ้าหากเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เพราะใจใจมันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์เขาจะต้องไปเป็นสัตว์แล้วเราก็เลือกไม่ได้นะ ถ้าเราทำกรรมอย่างไรอย่างนลงไปแล้วมันมีอุปาทานเป็นตัวเก็บกรรมอันนี้เอาไว้ตราบใดที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมดับกิเลสหมดจดโดยชิ้นเชิงอุปาทานตัวนี้เป็นภาชนะเก็บกรรมของท่านเอาไว้หมดที่จะคอยมาส่งผลเล่นงานเราในระยะเวลาต่อๆไปบางครั้งท่าน นาท่านภาวนาและจิตของท่านสงบท่านตายไปในขณะนั้นท่านไปเป็นพระพรหมอยู่บนโลกพระพรหมเป็นพระพรหมอยู่บนโลกพระพรห ม, มเพราะอะไร<ม>ก็เพราะจิตท่านสงบจิตของท่านบริสุทธิ์ท่านไปอยู่บนพรมโลกซึ่งเป็นชั้นที่บริสุทธิ์ที่มีความสงบบางครั้งจิตของท่านไปเจริญอารมณ์ของฌาน ท, ที่เรียกว่าอารมณ์ฌาน ท่านไปเกิดในอารมณ์ปพรมมีแต่นามไม่มีรูปอย่างนั้นก็มีทั้งนี้มันเกิดขึ้นจากจิตพื้นเพยจริตนิสัยของจิตของท่านคุณสมบัติภายในจิตของท่านที่จะส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี้เหมือนอยา่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านยังสร้างวารมีอยู่ท่านก็ต้องทําบุญบ้างทําบาบ้างทํากรรมรุ่นบ้างทํากรรมนี้บ้าง ท่านก็เกิดตายเกิดตายเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างเป็นช้างเป็นม้าเป็นนกเป็นอะไรท่านเป็นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นกินเป็นพรหมท่านเป็นหมดพบชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของจิตของท่านเราพิจารณาย้อนดูแล้วเราจะไม่สงสัยยิ่งเราตั้งใจภาวนาด้วยแล้วเราจะเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนว่า อันนี้เป็นหลักเหตุผลโดยแท้จริงท่านทั้งหลายให้ความสนใจธรรมะมากถ้าท่านถามไปเรื่อยอัตมาภาพก็จะตอบไปเรื่อยๆแต่เลยเวลามาแล้วห้านาทีขอมติได้ที่ประชมุมถ้าท่านจะถามไปเรื่อยๆอัตมาก็จะตอบไปเรื่อยเพราะอัตมาภาพพอใจมากที่ท่านทั้งหลาย มีความสนใจเรื่องธรรมะเพ<ม>ื่อจะได้เอาไปเป็นข้อปฏิบัติถ้าากจะมีท่านผู้มีเกียรติท่านใดปรารภเป็นการสรุปผลในการฟังธรรมะในการสนทนาธรรมะเพื่อเป็นการสรุปผลสู่กันฟังโอกาสนี้ก็ขอเชิญได้จากนั้นเราก็อาจจะพอสมควรกัเวลาแล้มั้งเลยเวลามาหลายนาทีแล้ว <c oughs> อ่าโอกาสเปิดโอกาสได้เลยพูดสรุปได้สำหรับผู้ฟังให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟังถ้าเป็นพระองค์ท่านสรุปเองก็จะดีมาก <c oughs> อ่าฮะ <c oughs> ก็จะ oui, uh, like ็ที่ขอท่านหรืี่าน่อบหร่อบที่จะอหกื่อบที่จะลือหกท่านอวยเอานชอบวลือหรืานชอยเ่านชอบที่จะช่วยเหออที่ท่านเหื่านชอบที่อหที่ท่านเหื่นชอบอหานเหลืรานี่ะชอหี่านอกาน โอกาสข้างหน้าถ้าเรามีเราก็จะได้พูดคุยสนทนากันอีกเพื่อเอาธรรมะของพระพุทธาาเจ้ามาแจกแจงมาแยกแยะให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาไปเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ในหัวใจเป็นน้ําใสน้ําเย็นฉโลมไปที่หัวใจของเราเพราะทุกคนนั้นหวังความสุขหวังความเจริญธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อมาดับ ระงับกองทุกข์ในหัวใจของคนของสัตว์อัตมาภาพจึงขออำนวยหัวใจให้พรกับท่านทั้งหลายเป็นพิเศษอย่างยิ่งสมเด็จยา่าแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวชื่ออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็พระญาติของท่านเป็นหลานของสมเด็จยา่าพระองค์พระองค์งท่านเนี่ย เป็นลูกสาวของสมเด็จย่าที่ให้เกียรติมาเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่อ่าพานําพวกเราทั้งหลายฟังอัดฟังทำไปประพฤติปฏิบัติอเพื่อเป็นแบบฉบับเป็นเที่ยมเป็นยางให้พวกเราได้ไปถือเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติอืมจากนี้แล้อมาก็ถ้ามันจะให้พรเป็นภาษาบาลีเสร็จแล้วก็จะจบลองเพียงเท่านั้นะละแปก่อน เล้อกมอบของมอบขอให้พระองค์ท่านก่อนสองอันสองอันเด็กมอบให้ท่านสาธุสาธุสาธุธรรมแล้วลก็ตั้งใจรับคอนอุทิศส่วนอุนไปให้กับปิดดามาดาปูย่าตายายบรร พ, พบรุษ บุญพกษัตริย์มหากษัตริย์ของประเทศภูตานของเราผู้ที่ท่านเสียสละเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองอุทิศส่วนบุญที่เราได้ยินได้ฟังอัตธรรมนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้มาอนุโมทนาบุญกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกอะตั้งแต่อุทิศส่วนบุญไปอตั้งใจรับพรทอ่ใส <c oughs> <c oughs> ่สื้อผ หาวาริวะหาปูราปริปูเรนติชาคารังเอวะเมว้ยโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปนระโสยะทามณิโชติระโสยัทา สพีติโยวิวัชชนตูสภโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีพายยโกอวะพิวาธนาศีลิสริจังบุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตกสปเทวตาสป พ, พุท ธ, ธานภาเวนะ สทาโสตถีพ a วั n ตุเตภะตุสัพพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสปธรรมานุภาเวนะสทาโสตถีพ a วั n ตุเตภะตุสัพพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสปสังฆานุภาเวนะสทาโสตถีพ a วั n ตุเต ขอบคุณครั uh